เนื่องจากาท่านอาจารย์มีระอยากจะให้คุณนาได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของคุณนาตั้งแต่ดั้งเดิมจนกระทั่งบัดนี้ไว้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์สําหรับคนรุ่นหลังเนื่องจากเห็นว่าคุณนาได้ทําประโยชน์ให้กับหลวงพ่อให้กับ า, า่าธรรมและวัดตปากนาไม่มากจึงอยากจะทราบประวัติความเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมจนกระทั่ง บัดนี้แม้ประสบการณ์ต่างๆของชีวิตของผู้ที่มีชีวิตผ่านมามากๆยอมมีประสบการณ์ดีๆแปลกๆเพื่อคนรุ่นหลังบ้างงั้นก่อนอื่นผมอยากจะเกรียนถามว่าคุณนาเกิดที่ไหนครับเกิดบ้านาท่าเสาเกิดที่บ้านาท่าเสาวนะ่ยฮะวิดามารดาชื่ออะไรครับมินดาชื่อนายก นามานดาครับชื่อพันอ๋อพี่น้องกี่คนไม่ทราบครับสี่คนอ่าคนโตชื่ออะไรครับชื่ออวลเป็นผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงคนที่สองนะฮะชื่อเชื่อมอ่าเป็นผู้ชายใช่ไหมฮะผู้ชายและคนที่สามคนที่สามผมอออ๋อคุณน้าเป็นคนที่สามนะฮะและคนที่สี่นะฮะชื่อล้อมคนที่สี่ชื่อล้อมนะเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะผู้หญิง เสียไปแล้วใช่ไหมเสียแล้วคงคงเหลือสามคนนะฮะแล้วก็คุาได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่ไหนครับเบื้องต้นเรียนที่ปัตตานีอ๋อไปเรียนที่ปัตตาน <laughs> ีเอ๊ะทําไมจากข่าเสาถึงไปอยู่ที่ปัตตานีถึงได้ไม่ก็ <laughs> พี่เขยเขาอ๋อพี่เขยนี่เห็นจ ะ, ะเป็นลูกพี่ลูนกน้องกันนะะ ถือเป็นพี่เขยของลูกพี่ลูกน้อง ก, กันใช่ไมฮะครับอ๋อเข้าไปทําอะไรที่นั่นครับเดิมเข้าไปเป็นยานคาลวมหัดไทยอยู่ที่ปัตตานีอ๋อแล้วตอนนั้นคุณน้าอายุได้สักเท่าไหร่ครับที่ไปอยู่ปัตตานีเราสิบเอ็ดปีนีไ่ได้โอแหมเดินทางไปตั้งแต่อายุน้อยนะฮะและ้วก็ตอนนั้นไปเรียนภาษาไทยเนีลยภาษาไทยอ๋ออายุสิบเอ็ดปเรียนภาษาไทยที่จังหวัดปัตตานีที่นั่นการศึกษาเข้าไปยังไงครททั่ี แต่ไม่พบไม่เห็นมาการศึกษาก็าเรียนภาษาไทยเหมือนกับแบบเดียนี่อ๋อเป็นโรงเรียนมกธยมว่าเป็นโรงเรียนอรัฐบาลยังไงกัน เ, เพราะว่าระบบ ก, การศึกษาโบราณกับปัจจุบันย่อมมีความแตกต่างโรงเรงียนรัฐบาลเป็นชั่วทีวันอ๋อเป็นโรงเรียนรัฐบาลเป็นชะั่ับฮะสมัยนั้นมีการศึกษาถึงขั้นไหนสำหรับที่นั่นถึง สองปีที่สี่นะฮะแต่คุณน้าเรียนอยู่กี่ปีครับเรียนอยู่ที่นั่นปีเดียวอ๋อปีเดียวนะฮะแล้วก็ะยายนะฮะย้ายอ่าย้ายย้ายตามพี่เขยไปนะฮะอ่าขอโทษพี่เขยนั่นเป็นใครครับพระพี่รมราชาอ๋อพระพิรมไราชาไปเป็นอ่าเจ้าเมืองที่นั่นนะฮะเริมเขาเป็นหลวงอยู่ที่ปัตี๋เขาเป็นหลวงนะยังไม่เป็นเจ้าเมืองใช่ไหมยังเป็นข้าหลวงมหาไทยเเป็นข่าหลวงมหาไทยนะฮะ แล้วทีนี้จากที่นั่นคุณน้าย้ายไปที่ไหนต่อต่อจากนั้นมาเขาย้ายไปอุบลเขาเขาย้ายไปอุบลคุณน้าก็ย้ายไปด้วยนะฮะครับไปศึกษาต่อที่อุบลไปศึกษาที่อุบลอ๋อไปศึกษาต่อที่อุบลนี่การศึกษาในแนวเดียวกันแนวเดียวกันอ๋อแล้วก็ศึกษาอยู่กี่ปีครับศึกษาอยู่สองปีอ๋อก็จบหลักสูตรพอดีครับนะฮะพำไม่จบไม่จบนะฮะอ๋อก็ ได้ปฐมสามเขาปฐมสามอ๋อแล้วหลังจากนั้นนะฮะจากตำแหน่งปฐมสาม้วคุณน้าอ่าไปอยู่ที่ไหนต่อหรือว่าไปทําอะไรผมไปทำงานที่สาร า, ารัฐบาลอ๋อไปทํนนาออทงานที่สาร า, ร, ารัฐบาลขณะนั้นที่คุณน้าออกทํางานที่สาราลัฐบาลนั่นนะ่ะอ่าคุณพระพิรมเป็นผู้ฝากให้จันนะครับเปานตำแหน่งอะไรฮะที่เริ่มทํา ไปเป็นเนสมียนผู้ขันมาเป็นเสมียนผู้ขัดตอนนั้นอายุได้สักเท่าไหร่ครับอายุเราสิบแปดสิบเก้าแล้วนะอ๋อสิบแปดสิบเก้าอ๋อแล้วทําอยู่ที่นั่นสักกี่ปีครับทำอยู่ที่บลมันเราเราสี่ปีอ๋อไปสิบไม่ได้ครับแต่เท่าที่ได้อยู่จังหวัดปัตตานีมาปีหนึ่งพอจะจําได้นะฮะปัตตานีสมัยนั้นมีความ เจริญในด้านใดๆเป็นยังไงบ้างตอนนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่เจริญก็เป็นเหมือนทัเมืองต่างๆ<ม>เงียบๆอ่าเงียบๆเพียวๆ อ, อ๋อแรกๆสมัยนั้นเป็นพวกพลเมืองเป็นพวกคนไทยหรือว่าเป็นพวกคุนเกียนติบา่าวาแขกเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้เป็นพวกแขกเป็นส่วนวมา ก, กแขกน้อยมากอ๋อพวกยีนก็มีเฉพาะที่ในตลาด อ๋อคนเมืองส่วนมากเป็นแขกนะฮะคนจีนส่วมากก็อยู่ในตลาดแล้วคนไทยก็แต่งตัวก็เหมือนกับแขกอีกไมอได้โยมเขาเขาคือแขกก็เลยภาษาขึ้นเมืองเลยต้องใช้ภาษาแขกเป็นภาษาขึ้นเมงแค่ภาษาแขกขึ้นเมืองแขกคนมากกว่าอภาษาจีนก็ไม่เคยได้ใช้เลยไม่เคยได้ใช้นะเขาใช้แต่ในบ้านเขาเอคงศใช้ภาษาแขกเป็นภาษาขึ้นเมืองในขณะนั้นนะครับ งั้นคุณน้ไปแรกๆ ก, ก็ถูกเขาไม่รูเรื่องไม่รูเรื่องต้องไปหาภาษาแข่ยอยู่ภากหนึ่งครับผมไปหาจิ้ครับผมไปเดือนกว่ากว่าจะซื้ออะไรกินได้รู้สึกยากไหมฮะคุณก็ไม่ยากอ๋ออาศัยความชินเคยสิ่งแวดล้อมนะฮะเพราะจํานวนเขามันมากกว่าเร า, าพูดอะไรผมก็ต้องไปพูดภาษาเขาทีนี้เมื่อมาอุบลแล้วนะะ เมื่อมาอุบลแล้วมีประสบการณ์ยังไงบ้า ง, งในระหว่างที่อยู่ที่อุบลเทียบกับคนพื้นเมืองคนพื้นเมืองก็พื้นภาพเข้าภาพอีสานเนี่ยก็เหมือนก็พูดพูดแบบอีสานอย่างปัจจุบันนี่นะฮะปัจจุบันนี้่โอ้งั้นไปใหม่ก็ต้องไปหัดกันอีกอใช่ไหมครับเพราะภราะภาษาเหมือนกับภ<บ>าษาภาษาอิสานง่ายพอแค่ง่ายก็แค่ครับหัดอยู่น้นเนี่ยง่ายๆนอีสาน ไปก็พูดได้เลยออพ่อังเอารีกว่าแข้หน่อยนะแขกไม่ฟังไม่ออกเอาที่แรกน้าที่เป็นเสมียนฝึกถาดน่อยู่สักกี่ปีอยู่เราหกเดือนนะเป็นเสมียนตุนถาดอยู่กเดือนนก็เลยประจาแผนกมหาไทยตลอดมาอยู่มหาไทยมั่งอยู่ตุนทีการ จังหวัดบางรายส่งไปช่วยทั้งหลเราก็ช่วยเป็นเป็นเจหน้าที่อะไรนะครับ <wary> <og> และ <communic ates> แล้ว <nosso> และตอนหลังนีต่อมาต่อจากนั้นมาเอจากนั้นมาก็ยายเอายายมาสุราธานีมาใต้อีกนะฮะแหมขึ้นเหนือล่องใต้ตอนนั้นตอนที่ย้ายมาสุราเนีอายุสักเท่าไหร่ครับ อายุยี่สิบกว่าแล้วครับอ๋นะอายุยี่สิบอายุยี่สกว่านะนนนานะแต่มาที่สุราษฎร์นี่มาทําอะไรอะเราเป็นเสมียนอยู่กองคลังครับเราเสมียนอยู่กองคลังนะครับอก็ต้องม<อ>าหัดงานประเภทด้านบัญชีการกลางกันมันนนก็ไม่ได้หาดหรอกมันก็เขาส่งมาพ เ, เราก็ทําไปทําอ้ทำไปต<ถ> า, า, ามลูกงานตามลกงาน แล้วที่ตอนที่มาสุราษฎร์นี่อ่ะคุณพระพิรมมาทําหน้าที่อะไรใมศาหน้าที่อายการบุญทนเป็นอายการบุญทนนะฮะแล้วที่ตอนอยู่บนนะฮะไปไปไปทำหน้าที่อะไรหน้าที่ระดับบุญทนอ๋อตัวตําแหน่งใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะที่มาอยู่สุราษฎร์นี่มาอยู่นานไหมฮะสุราษฎร์สงปีอ๋ที่สุราษฎร์นี่กับปัตตานีเท่าที่เคยอยู่คราวที่แล้วน่ะ ความเจริญเป็นยังไงกันนะถ้าเปรียบเทียบกันก็พอๆกันพอๆงไม่เจริญตอนนั้นอ๋อแล้วภาษาพื้นเมือง่ะฮะพื้นเมืองเป็นชาวชาวภาคใต้อไม่ใช่แขกไม่ใช่แขกเหมือนปัตตนีนะฮไม่มีแขกอ๋อแขกไม่น้อยมีแขกน้อยนะครับอ๋อพื้นเมืองเป็นชาวใต้ทางอัชาวใต้นะะแล้วจีนเป็นไงฮะจีนก็มีแคพ่อในตลาดอ๋อ ในชนบทก็เป็นเป็นคนพึ่งเมืองไปพึเมืองทีนี้การทำมาหากินในสมัยนั่นแหละฮะการทำมาหากินที่สุราษฎร์เขาทำอะไรกันก็ทววําสวนมะพร้าวทานาเหมือนกันอ๋อแล้วการทําเมืองแรกมีอะไรอย่างครับ น, นั้นมีเมืองแรกมีมีนะฮะแล้วที่ปัตตานีนะฮะในในสมัยที่คุณน้าไปอยู่ก็มีเมืองแรกทำเหมือนกันทำเหมือนกันนะฮะอ๋อแล้วที่บล น, นะฮะสมัยนั้นก็ทําอะไรกันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นยืดพื้น Oh me. และการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือว่าการซื้อขายกันในสมัยนั้นก็ยังไม่ค่อยเจริญนะฮะไม่เจริญอ๋อพัฒนีใช้เงินเหรียญทางอนอร์ดหรือสิงคโปร์พรตอนนั้นยังใช้เงินหรียสิงคโปร์ในสิงคโปร์มันมาใช้กันในในปัฒนีแล้วเงินไทยเราในสมัยนั้นยังไปไม่ถึงถึงแตใ่ใช้ปนกันขอใช้ปนกันอ๋อต้องแลกเปลี่ยนกันอ๋อ ตอนนิยมก็ยังใช้ปนปงินอยู่นขาแลวที่สุราหหละฮะที่สุราห์ไม่ไม่ต้องใช่เงินเหรียญนะใช้เฉพาเงินไทยนะเงินไทยโดนเวลานั้นโดนเหรียญสามเหรียญตกราพาเงินไทยห้าบาทอ๋อเงินก็มาสูงข่าวเงินมาพิกันในสูงกว่างเราในตลาดอือสามเหรียญห้าบาทอ๋อ้าอยู่สุราห์นานหฮะสุราห์เขาคเหรออ๋อถ้าจัดมันย้ายไปไหน ย้ายมากรุงเทพเนี่ยนะมากรุงเทพนะฮตอนนั้นอายุสักเท่าไหร่ครับยี่สิบห้ากว่าแล้วงอ๋อเวลายี่สิบห้านะฮะแล้วมากรุงเทพนี่คุณพระย้ายมาประจําตําแหน่งอะไรครับเข้ามาอยู่กรมอายการนะอ๋อและคุณหน้าย้ายม า, ม า, ม, ามาทําตําแหน่งอะไรไม่มีตําแหน่งคนระับอ๋อก็แล้วแต่จะบรรจุไปตําแหน่งใดก็ไปทํา อย่างนั้นใช่ไหมฮะเราไม่ไม่ไม่มีตําแหน่งไม่มีหน้าที่ไม่ได้ประจํางานนะครับเขาขไม่ประจำอ๋อหระหว่างนั้นพักเป็นไงฮะครับกอ๋ออ๋อยายตามม า, าไม่มีหน้าที่ทำแล้วพักพักอยู่นานไหมฮะเขาพักอยู่ก็หลายปีเหมือนกันอ๋อแล้วต่อจากนั้นทําอะไรฮะต่อจากนั้นก็ไปไปอยู่บ้านบังอยู่ที่มีแบบ อ๋อยู่อยู่ที่บ้านมันอยู่ที่บ้านอมีคุณพระที่ตรงข้ามวัดบาน้ํานี่บ้านนะฮะอ๋อเน้นคุณพระก็มีบ้านอยู่ตรงข้ามวัดบางน้ํานี่นานแล้วสิครับครับนานนะนะก่อนที่จะไปใต้ไปบนอะไรอย่างนี้ฮะข้าวก่อนอ๋อก็ซื้อไว้นานแล้วคอ๋อก่อนนับว่าโชคดีที่ว่าบ้านมันอยู่ใกล้วัดบางน้ำนะแล้วก็หลังจากนั้นนานไหมฮะกว่าคุณนา ถึงได้มาอยู่วัดบากน้ำเนี่ยครับก็ไม่นานนะแล้วแลนะ้วพ่อในปีพศสองพันสี่ร้อยหกสิบเนี่ยหลวงพ่ออะย่ย้ายมาจากวัด<ฟ>วัดโพวั ด, วดโพ<อ><อ>ในปีสองพันสี่ร้อยหกสิบอ่าหลวงพ่อย้ายมาจากวัดโพมาเป็นเจ้าวาดที่นี่นะฮะแล้วก็ุน่านึกยังไงถึงไดมาพบหลวงพ่อเขาก็มาทางเวลาทันมา ที่นี้เรามาเราคุ้นตาเามาหาท่านอ๋อมามาหาท่านนะครับอ่าที่มาหาท่านนะ่ะครับมีความประสงค์อะไรครับที่มาครั้งนั้นครั้งแรกไม่มีความประสงค์มารับท่านท่านมาจาก <c oughs> วัดโพวงรับมาต้อนรับท่านนะครับ <c oughs> เคยรู้จักท่านมาก่อนไหมเปล่าไม่เคยรู้จัก ก็เลยจากนั้นก็มีการไปมาหาสู่สนิทสนมกันด้วยหมานะฮะแล้วก็มีการไปมาหาสู่อยู่นานสักเท่าไหร่ถึงได้มาเป็นวายาวัจกรของท่านก็ราปีเศษราวปีเศษนะฮะก็ราราวปีสองพันสี่ร้หบเอ็ถึงได้มาเป็นวายาวัจกรของท่านเหตุที่มาเป็นวายาวัจกรของท่านนั้นอ่ามีเหตุผลยังไงครับ มีเหตุที่นีท่านมากรับทุกข์กับผมว่าท่านตั้งวายาวัจกรนี้ใช่เขาไปเบิดเบือเขาใช้ทั้งหมดอ๋อย่า <laughs> อาชื่อไปเลยแล้ววายาวัจกรคนเก่านะ่ะอ <laughs> เขามายังไงถึงได้มาเป็นมายาวัจกรเขา อ, อ, อยู่ใกล้ใวัดเนี่ยเป็นคนอยู่ใกล้วัดนี่นะฮะแล้วก็มาสมัครเพอง อาสาเองพระลมาคือฤาษท่านทีตั้งให้เขาก็ไม่ทราบนไม่ทราบงั้นเขาก็มาดำรงตำแหน่งรรยาวยาัยกรได้เพียงราวๆปีเสรศษๆน ะ, ะก็คุณหน้าก็เลยมารับตำแหน่งแทนท่านมาแทนและมาจากปีสองพันสี่ร้ยหกสิบเ็เป็นต้นมาก็เป็นบเป็นวรยาวยาักรของท่าน<ะ>นับแต่ น, นั้นมาใช่ไหมฮะตอนนั้น วัดฝัน่น้ำเป็นยังไงม้างนะในสภาพเดิมๆนะฮะมีพระสักกี่รูปเมื่อหลวงพ่อมาอยู่ใหม่ๆเมื่มาอยู่ใหม่ ๆ, ม, ม, ม, ๆมีพระไม่กี่ ร, ร, รูปเราเสามสิบรูปสามสิบรูปนะฮะค่อเป็นพระเดิมหรือว่าพระมาอยู่กันใหม่ๆพระเดิมบ้างพระมาใหม่บ้าอ ที่พระมาใหม่เนะ่ยมาบวชโดยศรัทธาในหลวงพ่อหรือว่ามาจากหลวงพ่อมาจา ก, จากต่างจังหวัดมาจากทางบ้านอันบักแล้วความเป็นอยู่ในสมัยนั้นมีความเป็นอยู่เป็นยังไงสําหรับพระต้องไปบินธบาตต้องไปบินธบาตนะครับต้องไปบินธบาติอย่างนี้อยู่สักกี่ปีในระยะนั้น เคอยู่เราๆทั้งสองปีทับงสองปีนะฮะนับตั้งแต่หลวงพ่อมาเริ่มอยู่นะฮ ะ, ฮะงั้นพอคุณหน้ามาเป็นวิทยาวิทยกรได้สักปีเสรศษๆก็ไม่ต้องมีน้ำบาตใช่ไหมฮ ะ, ฮะทีนี้เหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่คุณหน้ามาอยู่หรือว่าหลวงพ่อมาอยู่นะะั่นน่ะคุณหน่าลองเล่าเท่าที่จาได้นะมีเหตุการณ์อะไรบ้างในทั้งใดในด้านดีด้านร้ายท่าทีคุณน้าได้ประสบมา ว่าเมื่อลุงพ่อท่านมาอยู่เนะี่ยท่านได้เริ่มสอนวิปัสนาเลยหรือเปล่าครับสอนท่านเริ่มสอนวิปัสนาเลยนะครับมีคนมาเรียนกันทุกวันหรือเปล่าฮะหรือว่าทุกทุกวันพฤหัสเฉพาะทุกวันพฤหอ๋อและในวันปกตินะฮะวันปกติท่านสอนพระอ๋อสอนพระแต่สอนเป็นประจำนะฮะครับอ๋อได้ผลไหมนะก็ได้ ตอนนั้นท่านพักอยู่ที่ไหนที่กุฏิเก่านะอยู่ที่กุฏิเก่าหลังนี้นะฮะอ๋อแล้วก็เริ่มทำวิชาหะื อ, อย่างครับเริ่มวิชาวิวชาเน้นยังตอนนั้นยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำวิชานะครับแล้มาเริ่มทำวิชาเอาเมื่อไหร่ครับหลังจากท่านมาอยู่ได้สักกี่ปี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 นับบิยังไงจึงได้เริ่มทำวิชาขึ้นคามความนับริแรกเริ่มที่ท่านท่านทำวิชาขึ้นตอนนั้นน่ะมีพระอยู่ด้วยกันกี่องค์ที่ด้สำเร็จวิปัสสนาและมีอุบาสิกาหรือเปล่าหนึ่งในอย่างนั้นมีมีพระสอ ง, องค์ตอนนั้นอ๋อชื่ออะไรพอจะจาได้ไหมฮะก็หลวงปจัจ มีไหมฮะในเรก่องแรกเริ่มมีอ่ามีสักกี่คนะเมื่อตอนเริ่มเนี่ยก็มีมีมีสองคนอ่ออ่าชื่ออะไรบ้างจำได้ไหมฮะชื่อบุญนาคคนอ๋อชื่อบุญนาคคนนะฮะแล้วก็ชื่อบุ๋คนนึงะฮะอ๋อแรกเริ่มก็มีพระสองรูปนะฮะหลวงตะใจหลวงตาโฉมนะฮะ อุบาสิกาสองคืออุบัติการตุกกับอุบาติกาบุญนาถนะฮะแล้วต่อจากนั้นมานะะเป็นยังไงตะอจากนั้นมาก็มีมากขึ้นเพิ่มเพิ่มขึ้นเลยนะเพิ่มขึนเลยแรแรกที่ทำวิชานะท่านเริ่มทําที่ไหนครับเริ่มทําที่เนี่ยรับในคณะเนี่ยขันะฮะในคณะเนี่ยขัเดิมนั่นนะเป็นที่เก็บศพใช่ไหมฮะครับที่เก็บเป็นปัาช้าเก็บศพนะฮะกุดังเก็บศพ มี ม, มีมีประชาด้วยหรือเปล่าไม่มีมีแต่เป็นกูฎังเก็บศพนะฮะเป็นที่เก็บศพท่านก็เลยรื้อฟื้นไอ้กูฎังเก็บศพอันนี้แล้วก็ศพก็ยังเก็บอยู่แต่ว่าสถานที่อ่าโรงตั้งศพลงทึมอะไรต่างๆในที่นั่นก็เลยทําเป็นที่พักทำวิปัสนาใช่ไหมลงทึมไม่มีหมองลงทึมมันอยู่ข้างนอกนะก็มีสาราใช่ไหมสาราสวดศพ ส, สาราไม่มีแต่มีถ้าเป็นสารานั่น สบูรณ์แล้วพันธ์นวดสร้างมาสร้างที่หลังครสร้างทีหลังอ๋อครับผมมาทันในตอนสลาเนะสร้างแล้วแล้วก็ข้างหลังหลังก็ยังเก็บสมบุญอยู่ก็คง<อ>ทำวิชาท่านที่นั่นใช่ไหมครับท่านที่นั่นอ๋อ <c oughs> ครับแล้วก็ท่านดําเนินยังไงฮะ ท, ที่ที่จะเริ่มทํำวิชาเนี่ยท่านดำเนินยังไงรู้ที่แรกท่านก็ไม่รู้ว่าท่านจะเป็นอะไรเป็นใครท<ม>ี่ท่านทํา าท่านครับทีแรกท่านก็ไม่รู้ตัวว่าคือใครอ๋อได้เลยราทว่ยทำเลยอ๋ก็ท่านมาทราบมาว่าท่านถึงต้นท่าตนทาที่ถูกส่งมาเพื <t ök mañana thighs> ่อทำหน้าที่ปรับปรุงทาธรรมที่เสื่อมโทรมไปให้เขาอยู่ในสภาพเดิมใช่ไหมแลวท่านเดเล่าเรื่องนี้ให้ใครแต่ใครฟังบ้าง ซื้อซกันเฉพาะในวงในก็ทเานก็ไม่เคยเล่าอะร่าอ่าบาเฉพาะคนวงในด้วยกันนะฮะแล้วก็ที่แรกแรกเริ่มทำนะ่ะมีผลยังไงฮะเท่าที่เป็นปากฏการเป็นต้นว่าท่านได้ตรวจดูพบสมบัติจกักรพรรดิอยู่ในที่ใดแล้วก็แต่พยายามจะเอาขึ้นมาเพื่อใช้ปรับปรุง ถ้าทานี้แต่ถ้าว่าฝไนํานเขาได้จีดกันอะไรต่างๆนานาพอจะจําได้ไหมครับท่านเคยเล่าให้ฟังอะไรสมบัติมีมากมายแต่เอามาใช่ไม่ได้<อ>ผมจําได้ว่าท่านเล่าว่าสมบัติจกักรพรรดนี้ก็อยู่ที่ศูนย์จกักรพรรดิน ะ, ะซึ่งต้นท่าได้ส่งมาไว้นะเป็นสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเป็นพวกเครื่อง เ, เพชรนินจินดาที่มีค่าในการประดับประดาซึ่งพอที่จะเอามาแลกเปลี่ยนเป็ น, เ, ปน เ, เข้าของสนหรับเลี้ยงผู้ถี่จะมาทำวิชาได้อย่างมากมายแต่ทองคำทองคำองคอย่างเดียวเฉพาะในวัดบางน้ำนี่ <c oughs> เลี้ยงคนหมดจุบูรทวีคืออ๋อครับครับครับนี้ผมได้ยินท่านเล่าเหมือนกันนะเฉพาะทองคำก็ขนาดนั้นแล้วที่นี่พวกเครื่อง แก่แกแกพยสิทธิ์นะแก่พยสิท์แก่จักรพัฒน์น ะ, ะแล้วก็พวกเพชรนินจินดาตวงนี้ไม่ต้องพูดถึงะนะก็อเนกนั น, ออนกันแหละนะเ<ะ>หลือใช้เหลือใช้เหลือกินแต่พอท่านจะทำวิชาให้อสิ่งของเหล่านี้ขึ้นมาถึงมือมนุษย์แล้วอก็มีเป็นอันเป็นไปน ะ, ะทีนี้มีอันเป็นไปตอนนั้ น, น่ะคุณน่าได้ประสบการณ์ด้วยตนเองหรืเปล่า ในขณะที่ท่านทําวิชาแล้วก็เพื่อจะเอาสมบัตินี้ขึ้นมาใช้ท่านบอกว่านนหนีไปดินโน่นไปเลยใชะนั้นเอาขึ้นไม่ได้ครับคนที่ทําในคณะคณะอะไรคณะอะไรครับพอเต็มแล้วทําวิธีแล้วก็ขุดหลุมลุ่มไปลึกเนอะลึกลงไปล 2. แล้วถ้าสองสองแล้วเอาผ้าขาวบุกรอบข้างล่างบุกข้างบนแล้วก็มีเข้าไปกระจา ก็นี่นั่งเข้าที่ทาสมาธิแ่เนี <c oughs> ้